เชื่อในการกระทำบันดนี้เราทำดีดิ่ต้นได้บูชาการะนตไตรด้วยอามิสบูชามีทูปเทยียนเล่นดอกไมก้ ในการปฏิบัติบูชาคือการกราบเป็นอนปายนาธรรมความประพฤติอ่อนน้อมตอบบูชาในบุคคลพระพุทธเจ้า เราท่านดัางหลายยังไม่เห็นตัรูปประโชมนมปันของพระองค์แต่ได้ผ่านการศึกษาวันนี้ท้าปธิมาเป็นองค์เปรียบพระองค์ทรงประทับนิ่งก็จะกราบกัพพระองค์ไม่ตรัสว่าอย่างไร ใครจะไม่กราบตรงก็นิ่งบานเราถ้าเราทจิตใจของเราให้นิ่งเราจะเห็นความจริงภาษาธรรมะเป็นตับอย่าเอกกัตตาลุมทาให้จิตของเรามีอารมณ์ดี ถ้าไม่จิตมีธรรมะหรือสติจิตของเราเหมือนเด็ดชอบชนเด็ดดูเด็กมาขังปล่อยมันก็จนขานไปขานไปนี่นะ บ, บุคคลนี้คุณเคยจะขึ้นทางหลั ง, งลงข้างหน้าขึ้นทางหน้าขึ้นลงหลังจับสีราจับหู จับเข้มจับขาในปรารตาของเด็กจิตของเราก็เหมือนกันไปจับอารมณ์อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วัตสัญญาอารมณ์คือจำอารมณ์ที่ผ่านมาทางสายตา เพราะตาเป็นองค์กรนำอารมณ์นั้นเข้าสู่ใจครับแต่ในการต้นเราฝึกฝนอบอรมทำให้ตาโลมีสติสติเป็นย่ำเหมือนหน่วยงานต่างๆเขามียม่ำ ต้องรู้ว่าคุณดีหรือคุณไม่ดีจะเข้ามาสู่สถานที่ที่เรารับผิดชอบอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าอารมณ์ดีก็ทำให้จิตใจเนี่ยสบายคล้ายๆอารมณ์นั้นเป็นมิตรเป็นสายเป็นเพื่อนมีความรักใกล้เอ็นดู เหมือนเรามาทำบุญเนี่ยคุณโยมชอบมันเป็นไปตามมีใสของสังขารใกรที่เคยคุ้นเคยพอสระเวลาก็ามาแสดงความเมตตาจิตด้วยความคารถเป็นกันลยาณามิตรมิตรคือความเป็นสหาย คือเมตตาต่อ ก, กันเคยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นหลักของธรรมดาเมื่อเขาลาโลกนี้ไปสู่ปราโลกเบื้องหน้าเรามีหน้าที่อะไรที่จะให้เป็นที่ะระลึกของชีวิตเราจึงมาทมําบุญ โดยวิธีถวายอาหารบ้างถวายน้ำดื่มบ้างอะไรอย่างอื่นที่เป็นบุญที่ให้ประโยชน์กับบุบคคลผู้ที่รับกานตันว่าบำเพ็ญบุญในบุญนี้ก็เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งทางใจเป็นอาหารของใจครับได้โอกาส ให้ตนบำเพ็ญความดีเป็นอาหารใจครับม า, มาโนจินตนาหารคืออาหารคือตั้งใจครับถ้าเรามาตั้งใจบำเพ็ญบุญโอกาสอันนี้ถ้าเราไม่ทำไม่ได้ครับเป็นหน้าที่ในโลกเราขาดธรรมะคือเมตตาคือความ กะตันอยู่หรือเป็นคนดีนิมิตรตังจาทุรูปานังความรู้ปการาคุณเป็นนิมิตหมายของคนดีลองได้มาเห็นภาพผลหรือมาทำเป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง เ, เขาสวดมนไว้พระเราก็ สนมนไว้พระสมาธิสมาทานศีลเป็นเหตุให้เราได้บำเพ็ญความดีได้ผลสองสองขั้นอุทิศให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วหนึ่งบุญนี้ก็เป็นของของเราอย่างหนึ่งต้องกันอันตรายศีลนี้ น, นำ ดวงใจของตนให้ไปสู่สุคติท่าไห้อานิสงส์สี่เลยนะสุขติยันติไปดีมาดีอันนี้ใงชีวิตของเรามีความปลอดภัยจากอันตรายนานาช น, นิดถ้าจิตของเรามีธรรมะคือสติเราจะเห็นความดีรักษาดวงใจของเรา ใจเรามีที่พึ่งใจเรามีอาหารเหมือนาอาหารไก่เราก็ค่อยอาหารหายอาหารพีเรณโพก็สมมีโพคาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆทีเรนนิ่ผูติงยันตินิพานคือดับทุกข์ได้ ดับทุกทางจิตตัวดับทุกทางจิตนคือนิพพานคือระหัความกระวนกระวายความกระตับกระายต่างๆอารมณ์ที่ไม่ดีจะเข้ามาถู่ใจเรียกว่าระหได้ตัวนิพพานไกลๆเราออกจากอารมณ์นั้นน่แปลว่าการออก นิข้าวออกภาษาดังนั้นแต่เราก็อยู่ในความดีเราไออารมณนว่านี้ความดีเราเข้าไปอาศัยความดีใจเราก็สบายออกจากเครื่องร้อยรัดชั่วขณะเราจะพิจารณาจิตมันต่างกัน จึงเรามั่นใจในการทำความดีต่อไปว่าโอ้นี่ความดีที่ตังพุทธศาสนาเป็นที่เป็นพุทธบริษัทสั่งสมความดีเป็นหลับนำมาขี่พยายามสร้างวัดได้ผลดังที่เห็นกันในปัจจุบันนี่สถานที่ เป็นที่ประชุมกันบำเพ็บุญตีผลแห่งการเสียสละของความของธรรมะแต่พูดถึงธรรมะในในอริยสัจตรีจาวโคการสละนั้นคือดับทุกข์ อสระตินี้ทีนีีนีีนีเหมือนในกายของเราเราอยู่สบายเราท่านทั้งหลายเชื่อเป็นผู้มีบุญร่างกายนี้มีบุญสามารถที่จะทำฮันให้ร่างกายนี้สมบูรณ์สิ่งที่ไม่ดีเขาจะกลับไย ครับถ่ายที่ของไม่ดีครบาบญศาสนาเจ้าคุณบาลีคุณูประมาณจานักประกาศประสาศาสนาครับอุกรันตังครับปักขดันตังครับเหมือนลมเข้าลมออกที่เราจเจริญกรรมฐ า, านอยู่บัดนี้ ที่เราสูบลมเลือไหลรูรมไม่ใจลมนี่เป็นการบริหารกายครับเป็นการบริหารกายให้สบายปกติลมนี้ถ้าเดินเป็นปกติทาให้ร่างกายเราโบ กานอธิบายว่าลมทั่วสร้งร่างกายแม้เรานั่งแต่อย่าไม่กดลมไม่อย่าไม่บังคับจิตทำเฉยๆให้ลมมันเดินไปตามหน้าที่หน้าที่ของลมเขามีหน้าที่กินลมไม่ใจแต่มาทำความรู้นิดหน่อย ทาความรู้คือสติที่เราจเจริญอนาปากรรมฐ า, านะอนาปานสติสติตามรู้ลมหายใจในกายของเราครูบาอาจารย์ว่าลมนี่สาคัญมากถ้าไม่มีลมหายใจ ร่างกายนี้ไม่ต่างกับอะไรก็โทนไม้ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องมีลมหายใจขยายไปทั่วขยายลมก็สู่ปอดปอดขยายลมเข้าพอกโลหิตไปทำให้ร่างกายสบายลมในท้ายลมในท้องลมทั่วสรีะปางกาย ลมหายใจภาสาบาลีว่าอัศาโซอัศาโซลมหายใจออกกับปัตสาโซหายใจเข้าลมออกไปรากลมภายนอกเข้าสู่ลมภายในลมภายนอกนําเข้าสู่ ภายในกายทำให้ชุ่มชื่นชูชีวิตครับคุบาอาจารย์อธิบายไว้ดังนั้นแต่เราพิจารณามีสติปัญญาขึ้นมาก็เข้าใจใ น, ในลมหายใจท่านตามอกติบางทีลมหายใจเข้าก็ยาวยาวบ้างบางทีถึงปลาเท้า หายอกถึงสมองาดีค the ังวาปัตสซาเีต sí ิป MM ัญจนาทีหายใจเข้ายาวกงให้รู้ดีคังวาปัตสซามีติปชานาทีหายใจออกยาวก็ให้รู้หรั่ั้นวาปัสซามติหาใจเข้าสั้นคงให้รู้ ถ้าลมละเอียดก็ค่อยสั้นค่อยเบาก็เบาถ้าละัอดแนบสนิทจิตของเรามีธรรมะคือสติการวิตกตึกวิจารคือพิจารณาดูลมหายใจเราเพ่งดูลมหายใจ เหมือนเราเป็นยามดูคนเข้าคนออกดูหน้าที่เราดูาดูลมหายใจลมลมเข้าลมออกดูลมหายใจมีธรรมะคือสติในทีนี้นเป็นองค์ของสมาธิมีตกวิจารปิติ พอเห็นลมหายใจจิตมันแนบสนิทกับลมหายใจร่างกายนี้เบาใจเราไม่ก่อเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวหมดจิตเจ้นจิ ต, จตสบายสุขสุข ก, กับต่างกันคือความสุขของร่างกายที่อาศัยสามิสุข อาศัยปัจจัยต่างๆเครื่องอุปกรณ์ที่เราต้องการตามพันต้องการได้ตามความต้องการก็ทบายไปช่วนขนาดหนึ่งมากันแต่แตเรารู้ไม่เท่าทันของสิ่งอันนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงดีแต่ความสุขอันเกิดขึ้นจากวิธีคือความเมาใจเมาใจใจนี้ก็เก็บเก็บบุญไว้เป็น ต, นต้นทุน ในเวลาที่เรามีอะไรเราต้นทุนนั้นเกิดขึ้นปรากฏในจิตเรานึกขึ้นมาได้ไม่เราฝากเงินไว้นาการเราต้องการก่า น, นึกขึ้นมาได้มีบัญชีความดีเนี่ยจิตมันเก็บจิตนี้เป็นบัญชีเก็บความดีไว้ธรรมากเขามัง่งคั่งจิตมัง่งคั่งจิตล่ำรวย ท่านว่าสตตาทนังทรัพย์คือสัตากันเรานี้ไม่จนในภพน้อยภพใหญ่สตตาทนังท่านกลับไว้ดังนั้นศีลทนังทัพย์คือศีลนนศีลเป็นอริยทรัพย์ของพระอริยเจ้าศีลเป็นการแต่งรูปผสมบัติอิริโอตเปียงทนังเราไม่ความ กลัวตัวบาปขยะกเยงอิริเปร่วนไา้อธิบายว่าคนแต่งตัวสวถ้วยไม่กล้าจะจับต้องของจริงสุขสับปกโอต บ, บากแกงกลัว mm hmm. มึงกลัวสัตวนาพิษบาปจักนิดมันกัดจิตชีวิตของเราอยู่ด้วยบุญ อยู่ไปถึงด้วยโน่นน่ะถึงอายุไขเราไม่ต้องกลัวให้เรามีความดคีความนี้เป็นเรอือเป็นแปรเป็นยวดยานภานะเป็นเครื่องบินเราจะไปประเทศไหนก็ได้บุญเนี่ให้เรามีบุญกันแล้วกันจากโกจะทนัง ทรัพคือจากาคือดับทุกข์ mm. พะมีอะไรก็ดับทุกข์ได้ทุกต่างจิตอารมณ์เสียไม่มีทำไม่เขาจมีเดียวมีอารมณ์เสียไม่แต่อารมณ์ดีมีแต่ความดีอยู่ในดวงใจของเราดวงใจนี่ เป็นกล่องจก็บความดีครับปัญญาเวททะมังทรัพ์คือปัญญาเป็นอริยทรัพย์ที่เจ็ดครับปัญญาสำคัญที่เราสั่งสมจนดับรับฟังธรรมะตัวได้เราจะฟังะไะเลยหูไม่น่าที่ทาการฟังหรอกครับหูนี่เป็นองค์กรที่ให้เกิดปัญญา นำเข้าสู่ใจของเราเป็นองค์มืนเป็เจ้าเป็นดินของเรามีองค์กบับมุนตรีคนดีๆนําเรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวไม่ดีไม่ปิดปิดประตูเลยมืนการอยู่มากๆอย่างมีสมพานอย่างในวัดเนี่ยเรื่องไม่ดีอย่านํามาไม่มีประโยชน์อะไรนี่สมพานเขาสบาย สบายใจคิดอะไรก็ปลอดปรงปลดโปรง n ลรูสบายแล้วเราก็อยู่เกิดด้วยความสามัคคีดีเป็นสาคัญมากองค์กรองค์กมนตรีของใจตาก็ดีเป็นองค์กรของใจเป็นเบาของใจเบาดีกัเจริญนี่วัดคือเจริญมาเป็นลาดับลาดับ หูก็ได้รับสิ่งที่ควรรับนําความดีไปให้ความสุขในจิตของเราแล้วให้ความสุขแก่บุคคลผู้อื่นดีเรามีความสุขแล้วให้คนอื่นได้เหมือนโยมมีรัพยบก็ให้ซับแก่ผูญได้ เพรงัน้นปัญญาของนายปุณณนะเออบางวันเราเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีไม่มีฐานบางวันเห็นพระพุทธเจ้าบางเห็นบางวันไม่เห็นแต่มีฐานตรงกันคราบแต่วันนี้เห็นพระธระ ร, รมเสนาบดี ที่ดันออกจากในิโรธสมามบัตเรานำอาหารมาให้สามีจึงอาหารนี้ถวายพระผุ้เป็นเจ้าพระธรรมพระธรรมเตนามบดีถวายนะเออขอท่านอยากคิดว่าอาหารปอนปอนขอพระผุ้เป็นเจ้าโปรดถาดของท่าน เป็นผู้ยากคนทานพิจารณาแล้ ว, ลวเห็นผลเดี๋ยวกลับไปอุ้มเข้าไม้มาใ้สามีสามีก็ไ ถ, าถานาเหนื่อยคอยนอนอยู่แต้ต้นไม้คอยดูปัญญานำอาหารหมา้พัญญาเออวันนี้เราบำเพ็ญบุญแล้ว ทำบุญนี้อานิสง์ให้แกเราแล้วขอให้สามีติ t ใจให้ดีอย่าคอกอย่าพูดกับโชคกายชติพูดดีดีเอ้บุญก็เป็นไปได้ย่างนีบุญนี่เป็นอาภินิหารขึ้นมาถึงนางก็พูดอย่างนั้นโอ้เราเมื่อเช้าคนไดถาไวายน้ำบวนปากไม้สีวันแดดก็พูดเป็นจาแล้ว พอรับอาหารนะหิวหลับพอตื่นขึ้นมาก้อนดินที่นายปุ น, น้ะไตมเออีเราตาฝาดเป็นไงนะเห็นที่ไตเป็นทองคำานางกเออ็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันอานิส่งนั้นท่าน แต่ธรรมะธรรมพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกยกมาเป็นอุต่าวเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้พาะเราบำเพ็ญบุญเนี่ยมากรมเวยวิเจอยะดาลังดาตัมบั ง, บบงเราเลือกให้เพราะฉะนั้นโอกาสอันดีนี่เราบำเพ็ญความดี เพื่อให้ชีวิตของเรามีความดีหล่อหลอมชีวิตของตนให้มีความสุขถึงที่สุดแห่องอายุขัเรายังไงทำบุญอุติศส่วนบุญอันนี้ให้แก่ผู้รีดดวงรับคือคุณของชอบโดยน้ำใจเลื่อมใส ในตังาศาสนาให้ตั้งใจบำเป็นอุทิศส่วนกุศลจึงเป็นหลักเที่ยงแท้ในตังาศาสนาบุญนี้เขาจะ้อนย้อนข้าหาผู้บำเพ็ญบุญนต่ันว่าเหมือนเราฟัางปุ๊บบอลบฝาแลวก็มันย้อนมาเราเองบุญนี้ก็เหมือนกัน ได้สองได้ อ, อย่างเพราะฉะนั้นจึงกล่าวต่อไปเราทาใจให้สงบระหับให้จิตอยู่กับรูปไม้ใจมีธรรมะมีสติมีตกคือรึกมีจานดูรูปไม้ใจ ปิติอิมเบากายเบาจิตสุขสุขกายสุขใจเอกะกะตามรมนี่เป็นองค์ฌานองค์ของกรรมาฐานองค์ของสมาธิที่ราปริภาวิโตสมาธิมาโปี่ ม, มหาหราอิสั่งโซ เรารับสมาทานแล้วสมาธิสีนอบรมแล้วมีอา น, นิสงส์มากขึ้นมาทำไมชีวิตและจิตใจของท่านทุกท่านมีความสุขผุด้นจากทุก ผู้ที่ดวงรับไปก็จะรับส่วนบุญขอให้ท่านได้สวยสุขในพบในสุคติพบของตนตามวิสัยของกิจเรียว่ากิเตอังกริเตกิเตอาังกิริเตสุคติกิตที่ไม่สมองมีสุคติ จิตบางทีเรานึกปุตโธ